เทระสูตรว่าด้วยธรรมของพระเทระภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบด้วยธรรมห้าประการย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายธรรมห้าประการอะไรบ้างคือหนึ่งเป็นรัตตัญญามานาน 2. เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศมีบริวารมากปรากฏแก่ผู้เครหอขัดและบรรพชิต 3. เป็นผู้ได้จีวรบินธบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศบริขาร 4. เป็นพหูสูตรทรงสุตะสังสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งทำทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท้ำกลางมีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏถะและพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากคลื่นใจแทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ 5. เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นวิปริลบุคคลนั้นทำให้คนหมู่มากออกจากสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในอสัตธรรมคนหมู่มากพากันตามอย่างเธอด้วยคิดว่าเป็นภิกษุเทระ เป็นรัตตัยู่บวชมานานบ้างเป็นภิกษุเทระมีชื่อเสียงมียศมีบริวารมากปรากฏแก่ผู้ครหัดและบรรพชิตบ้างเป็นภิกษุเทระได้จีวนบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศร บ, บริขารบ้างเป็นภิกษุเทระเป็นพหูสูตรทรงสุตตะสังสมสุตะบ้างภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อไม่เกื้อกูลประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่สุขแก่คนหมู่มากเพื่อไม่ใช่ประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อทุกขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เถระประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มาก เพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำห้าประการอะไรบ้างคือ 1. เป็นรัตตัญญูบวชมานาน 2. เป็นผู้มีชื่อเสียงมียศมีบริวารมากปรากฏแก่พวกเครหัส์และบรรปชิต 3. เป็นผู้ได้จีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพสัตว์บริคาร 4.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 บุคคลนั้นทำให้คนหมู่มากออกจากอสัตธรรมให้ตั้งอยู่ในสัตธรรมคนหมู่มากพากันตามอย่างเธอด้วยคิดว่าเป็นภิกษุเทระเป็นรัตตัญยูโบวชมานานบ้างเป็นภิกษุเทระมีชื่อเสียงมียศมีบริวารมากปรากฏแก่พวกครหั์และบรรพชิตบ้างเป็นภิกษุเทระได้จีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจัยเพศปริขารบ้าง เป็นภิกษุเทระเป็น พ, นพหูสูดทรงสุตะสังสมสุตะบ้างภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เทระประกอบได้ทำห้าประการนี้แลย่อมเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากเพื่อประโยชน์แก่คนหมู่มากเพื่อเกื้อกูลเพื่อสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทระสูตรที่8ดจบ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 ความเป็นผู้ชอบการคลุกคลีด้วยหมู่ 5. ไม่พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วทำ5ประการนี้แหลย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซฆะทำห้าประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซคค่ะทำ5ประการอะไรบ้างคือ 1. ความเป็นผู้ไม่ชอบการงาน 2. ความเป็นผู้ไม่ชอบการพูดคุย 3. ความเป็นผู้ไม่ชอบการนอนหลับ 4. ความเป็นผู้ไม่ชอบการคลุกคลีด้วยหมูห 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายทำ5ประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซขะปฐมมะเซขะสูตรที่ 9. จบ ทุติยเสขสูตรว่าด้วยธรรมของพระเสขะสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายทหํห5ประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะทํห้าประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เป็นเสขะในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีกิจมากมีกรณียกิจมากไม่ฉลาดในกิจน้อยใหญ่และการหลีกเร้น ไ ม, ไ, ม ata, ไม่ตามประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่1เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสกขะ 2. อภิกษุผู้เป็นเสกขะให้วันเวลาล่วงไปเพราะการงานเล็กน้อยและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่2เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสกขะ 3. าภิกษุผู้เป็นเสกขะ คลุกคลีกับขั้วเคราะห์และบันพชิตด้วยการคลุกคลีอย่างเคราะห์ที่ไม่สมควรและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 4. ภิกษุผู้เป็นเสขะเข้าไปยังหมู่บ้านในเวลาเช้านักกลับมาในเวลาสายนักและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายใน นี้เป็นธรรมประการที่สเป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 5. ภิกษุผู้เป็นเสขะไม่ได้คาถาเป็นเครื่องขัดเกลว์เป็นสับปะปยะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัปิจฌะคถาเรื่องความมักน้อยสันตุติคาถาเรื่องความสันโดษปวิเวกะกะคาถาเรื่องความสงัดอสังสัก ข, ขะคาถาเรื่องความไม่คลุกคลี วิริยารมภะคาถาเรื่องการปรารุความเพียรสีลกถาเรื่องศีลสมาธิกถาเรื่องสมาธิปัญญากถาเรื่องปัญญาวิมุตติกถาเรื่องวิมุตติวิมุตติยานาัทสนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติตามความปรารถนาได้โดยยากได้โดยลำบากและการหลีกเร้นไม่ประกอบความสงบใจภายใน นี้เป็นธรรมประการที่5เป็นไปเพื่อความเสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสค่ะภิกษุทั้งหลายทำห้ประการต่อไปนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสค่ะทำห้ประการอะไรบ้างคือ 1. ภิกษุผู้เป็นเสค่ะในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ไม่มีกิจมากไม่มีกรณียกิจมากฉลาดในกิจน้อยใหญ่ไม่ละการหลีกเร้น ตามประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่หนึ่งเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 2. อภิกษุผู้เป็นเสขะไม่เ้วันเวลาล่วงไปเพราะการงานเล็กน้อยไม่ละการหลีกเร้นประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สองเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ 3. ภิกษุผู้เป็นเสขะ ไม่คลุกคลีกับพวกครรหัดและบันผชิตด้วยการคลุกคลีกับขรรหัดที่ไม่สมควรไม่ละการหลีกเร้นประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่สเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสคะ่ะ 4. ภิกษุผู้เป็นเสคะ่ะไม่เข้าไปยังหมู่บ้านในเวลาเช้านักไม่กลับในเวลาสายนักไม่ละการหลีกเร้นประกอบความสงบใจภายใน นี้เป็นธรรมประการที่สีเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเซคาห้าภิกษุผู้เป็นเซคะได้กระถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นส ป, ปายะแห่งความเป็นไปของจิตคืออัปิชฉกระถาสันตุติกระถาปวิเวกกระถาอาสังสักกะกระถาวิริยารัมภกระถาสีละกระถาสมาธิกระถาปัญญากระถา วิมุตติกรถาวิมุตติญาณทัศนกะถาตามความปรารถนาะได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากไม่ละการหลีกเล้นประกอบความสงบใจภายในนี้เป็นธรรมประการที่หเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายทำหประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุผู้เป็นเสขะ ทุติยเสขสูตรที่10จบเทรวัคที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวรนี้คือ 1. รัชนียสูตร 2. วีตาราคสูตร 3. กุหะกสูตร 4. อัสัทธสูตร 5. อัคมะสูตร 6. ปฏิสัมพิทาปตะสูตร 7. ศีละวันตะสูตร 8. เทรสูตร 9. ก้ปฐมมะเสขสูตร 10. ทุติยเสขสูตร 5. กรกุธวักหมวดว่าด้วยกกุทะเทพประบุตร 1. ปฐมมะสัมปทาสูตร ว่าด้วยสัมปทาสูตรที่หนึ่งพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสัมปทาความถึงพร้อมหประการนี้สัมปทาหประการอะไรบ้างคือ 1. ศรัทธาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศรัทธา 2. อสีลสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 3. สุตะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสุตะสี 4. ยาคสัมปทาความถึงพร้อมด้วยจาคะห้าปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญาภิกษุทั้งหลายสัมปทาห้าประการนี้แลพระธมมะสัมปทาสูที่หนึ่งจบ ทุติยสัมปทาสูตรว่าด้วยสัมปทาสูตรที่สองภิกษุทั้งหลายสัมปทา5ประการนี้สัมปทา5ประการอะไรบ้างคือ 1. ศีละสัมปทาความถึงพร้อมด้วยศีล 2. สมาธิสัมปทาความถึงพร้อมด้วยสมาธิ 3. ปัญญาสัมปทาความถึงพร้อมด้วยปัญญา 4. วิมุติสัมปทา ความถึงพร้อมด้วยวิมุตติ 5. วิมุตติยานัทสนะสัมปทาความถึงพร้อมด้วยวิมุตติยานัทสนะภิกษุทั้งหลายสัมปทา5ประการนี้แลทุติยสัมปทาสูตรที่2จบ 3. า พยากรณะสูตรว่าด้วยการพยากรณอรหัตผลภิกษุทั้งหลายการพยากร์อรหัตผลห้าประการนี้การพยากร์อรหัตผล5ประการอะไรบ้างคือหพยากรณ์อรหัตผลเพราะโง่เขลาเพราะหลงงมงาย 2. มีความปรารถนาชั่วถูกความปรารถนาครอบงำจึงพยากรอรหัตผล 3. พยากรณ์อรหัตผลเพราะความบ้าเพราะจิตฟุ้งซ่าน 4. พยากรณ์อรหัตผลเพราะสำคัญว่าได้บรรลุ 5. พยากรณ์อรหัตผลโดยถูกต้องภิกษุทั้งหลายการพยากรณ์อรหัตผล5ประการนี้แลพยากรณะสูตรที่3จบ ภัสสุวิหารสูตรว่าด้วยภัสสุวิหารธรรมภิกษุทั้งหลายภัสสุวิหารธรรม5ประการนี้ภัสสุวิหารธรรม5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิในนี้ 1. นึ่งสงัดจากกามและอุติธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานละถึงอยู่ 2. เพราะวิตกวิจารณ์สงบระ ง, งับไป บรรลุทุติยฌานอยู่ 3. เพราะปีติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานอยู่ 4. เพราะละสุขและทุกข์ได้เพราะสมนัสและโทมนัส ด, ดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทชฌานอยู่ทําทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายพาสุวิหารธรรมห้าประการนี้แลพาสุวิหารสูตรที่สจบ 5. อากุปปสูตรว่าด้วย อกุปธรรมภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการไม่นานนักก็จะบรรลุอกุปธรรมธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้บรรลุอัตถปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในอัต 2. เป็นผู้บรรลุธรรมปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในธรรมส เป็นผู้บรรลุนิรุตติปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในนิรุตติ 4. เป็นผู้บรรลุปฏิพานปฏิสัมพิทาปัญญาแตกฉานในปฏิพาน 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการนี้แลไม่นานนักก็จะบรรลุอากุปธรรมอากุปสูตรที่หจบ สุตตะทะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้ทรงสุตตะภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหประการเสบานาปานาสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอากุปธรรมทำห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้หนึ่งเป็นผู้มีธุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริขารแห่งชีวิต สองเป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้องสามเป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องเตื่นอยู่สี่เป็นพหูสูรทรงสุตะสั่งสมสุตะเป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้นมีความงามในท้ำกลางมีความงามในที่สุดประกาศพรหมจันร์พร้อมทั้งอัฏและพยัญชนะ บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนแล้วทรงจำไว้ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดดีด้วยทิฐิ 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรม5ประการนี้แลเสอานาปานสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อ บ, บรรลุอกุปธรรมสุตตะท ะ, ะสูที่6จบ 7. จคาถาสูตรว่าด้วยคาถาเครื่องขัดเกลากิเลสภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอากุปธรรมธรรมห้าประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีทุระน้อยมีกิจน้อยเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิต สเป็นผู้มีอาหารน้อยมันประกอบความไม่เห็นแก่ปากแก่ท้อง 3. ามเป็นผู้มีการหลับน้อยมันประกอบความเพียรเครื่องเตือนอยู่ 4. เป็นผู้แด้กรถาเป็นเครื่องขัดเกลาอย่างยิ่งเป็นสัพปปยะแห่งความเป็นไปของจิตคืออภิชะกถาสันตุทิกถาปวิเวกกะถาอาสังสัก ข, ขะกถาวิ ร, ยริยรัมภากถา ศีลกถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุติกถาวิมุติญาณทัศนกถาตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมห้าประการนี้แลเจริญอาณาปานาสติกรรมฐานอยู่ไม่นานนักย่อบรรลุอกุปรธรรม ก็ท้าสูที่7จบ 8. อารัญญกะสูตรว่าด้วยภิกษุผู้อยู่ป่าเป็นวัดภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยทำหประการทำอนาปานสติกกรรมาฐานให้มากอยู่ไม่นานนัก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 อยู่ในเสนาสนะอันเงียบสงัด 5. พิจารณาจิตตามที่หลุดพ้นแล้วภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมหประการนี้แลทำอนาปานาสติกรรมฐานให้มากอยู่ไม่นานนักย่อมบรรลุอากุปธรรมอารัญญกะสูที่8จบ สีหสูตรว่าด้วยพญาราชสีภิกษุทั้งหลายในเวลาเย็นพญาราชสีออกจากที่อาศัยแล้วบิกกายชำเลืองดูรอบๆทั้งสี่ทิศบันเลสีหนาสามครั้งแล้วก็หลีกไปหากินพญาราชสีนั้นถ้าแม้จะจับช้างก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับกระเบือก็จับได้แม่นยำไม่พลาด แม้จะจับโคก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับเสือเหลืองก็จับได้แม่นยำไม่พลาดแม้จะจับพวกสัตว์เล็กๆโดยที่สุดแม้กระต่ายและแมวก็จับได้แม่นยำไม่พลาดทีเดียวข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะพญาราชสีนั้นคิดว่าช่องทางหากินของเราอย่าเสียไปภิกษุทั้งหลายคำว่าสีหะนี้ เป็นชื่อของตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการที่ตถาคตแสดงธรรมแก่บริษัทเป็นสีหัน้าของตถาคตแท้คือตถาคต 1. แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 2. แม้จะแสดงธรรมแก่ภิกษุณีทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 3. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสกทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 4. แม้จะแสดงธรรมแก่อุบาสิกาทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ 5. แม้จะแสดงธรรมแก่ปุถุชนทั้งหลายก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพโดยที่สุดแม้จะแสดงแก่คนขอทานและพรานนกก็แสดงโดยเคารพไม่แสดงโดยไม่เคารพ ข้อนั้นเพราะเหตุไรภิกษุทั้งหลายเพราะตถาคตเป็นผู้หนักในธรรมเคารพธรรมสีหสูตรที่เก้าจบสิบกากุทเทระสูตรว่าด้วย กกุทะเทพบุตรกับพระมหาโมคคลานะเขาพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณโคสิตารามเข ค, ครุงโกสัมพีสมัยนั้นแหลบุตรเจ้าโกริยะนามว่ากกุทะเป็นอุปถาของท่านพระมหาโมคลานะสิ้นชีพิตกสายได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายามโ น, นไมชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่ เหมือนคามาเขตในแคว้นมคตสองสามหมู่เพราะการได้อัตภาพนั้นเขาจึงไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนครั้งนั้น ก, กัุทะเทพบุตรได้เข้าไปหาท่านพระมหาโมคลานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรครั้นแล้วเรียกกล่าวอย่างนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่า เราจากปกครองภิกษุสงฆ์และพระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธนั้นพร้อมกับจิตุบาทกกคคุทเทพปปปุตครั้นกล่าวดังนี้แล้วได้ไหว้ท่านพระมหาโมคลานะทำประทักษณิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองลำดับนั้นท่านพระมหาโมคลานะได้เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควร เรียกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุตรของเจ้าโกริยะนามว่ากะกุทะเป็นอุปถักของข้าพระองค์ชินชีพิตรใสได้ไม่นานเข้าถึงชั้นกายะมโนไหม่ชั้นใดชั้นหนึ่งเป็นผู้ได้อัตภาพใหญ่เหมือนคามมเขตในแควนมคธสองสามหมู่เพราะการได้อัตภาพนั้นเขาจึงไม่ทำตนให้เดือดร้อนไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน ต่อมากกุทเทปบุตรได้เข้าไปหาค่าพระองค์ถึงที่อยู่ไหว้แล้วยืนอยู่ณที่สมควรได้กล่าวกับข่าพระองค์ดังนี้ว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระเทวทัตเกิดความปรารถนาอย่างนี้ว่าเราจะปกครองภิกษุสงฆ์และพระเทวทัตได้เสื่อมจากฤทธนั้นพร้อมกับจิตุบาทกกุทะเทพบุตรครั้นกล่าวดังนี้แล้ว ได้ไหว้ค่าพระองค์ทาประทักษิณแล้วหายไปณที่นั้นนั่นเองพระผู้มีพระภาคตรถามว่าโมคลานะเธอกำหนดรู้กักุทเทประบุตรด้วยใจดีแล้วหรือว่ากักุทเทประบุตรกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นท่านพระมหาโมคลานะกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระองค์กําหนดรู้กกุทะเทพบุะบุด้วยใจดีแล้วว่ากกุทะเทพประบุดกล่าวสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งนั้นทั้งหมดย่อมเป็นอย่างนั้นทีเดียวไม่เป็นอย่างอื่นพระผู้มีพระภาคตรัสว่าโมคลานะเธอจงรักษาวาจานั้นโมคลานะเธอจงรักษาวาจานั้นบัดนี้โมฆะบุรุษนั้นจะทําตนให้ปรากฏด้วยตนเอง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 เขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยศีลและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยศีลสศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีอาชีพไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่า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 ด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทำกรรมใดเขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยอาชีพและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีพ 3. ศ า, าสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีธรรมเทศนาไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์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 หมหาชนก็ยกย่องท่านด้วยจีวรบินทบาทเสนาสนะและคีลานปัจจัยเพศสัตว์บริขารด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทากรรมใดเขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยธรรมเทศนาและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยธรรมเทศนา 4. ศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มีวยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีวยากรณะบริสุทธิ์วยากรณะของเราบริสุทธิ์พ่องแผ้วไม่เศร้าหมองพวกสาวกรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มีวยากรณะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีวยากรณะบริสุทธิ์ เวยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่ถ้าพวกเราพึงบอกแก่พวกเครือขัดก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคำที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่งมหาชนขอยกย่องท่านด้วยจีวรบินบาบเสนาสนะและคีลานปั จ, จัยเพสัตย์บริคานด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทากรรมใด เขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยเวยากรณะและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยเวยากรณะ 5. ศาสดาบางท่านในโลกนี้เป็นผู้มียานทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียานทัศนะบริสุทธิ์ยานัทัศนะของเราบริสุทธิ์พ่องแผ้วไม่เศร้าหมอง พวกสาวกย่อมรู้จักเขาอย่างนี้ว่าศาสดาท่านนี้เป็นผู้มียานทัศนะไม่บริสุทธิ์แต่ปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มียานทัศนะบริสุทธิ์ญาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้าหมองแต่พวกเราพึงบอกแก่พวกครหอขัดก็จะไม่เป็นที่พอใจของท่านพวกเราจะกล่าวถ้อยคําที่ท่านไม่พอใจได้อย่างไรอันหนึ่ง มหาชนก็ยกย่องท่านด้วยจีวรบินบาตศรีนาสนะและคีลานปัจใจเพศประยุคลารด้วยคิดว่าศาสดาท่านนี้จะทํากรรมใดเขาเองก็จะปรากฏด้วยกรรมนั้นพวกสาวกรักษาศาสดาเช่นนี้โดยยานทัศนะและศาสดาเช่นนี้ก็หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยยานทศนะโมคลาณนะ ศาสดาห้าจำพวกนี้แหลมีปรากฏอยู่ในโลกโมฆคลานะเรามีศีลบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ศีลของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ่ไม่เศร้าหมองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยศีลและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยศีลเรามีอาชีพบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีอาชีพบริสุทธิ์ อาชีพของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยอาชีพและเราก็ไม่หว <ause> ังการรักษาจากพวกสาวกโดยอาชีพเรามีธรรมเทศนาบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีธรรมเทศนาบริสุทธิ์ธรรมเทศนาของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยธรรมเทศนา และเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยธรรมเทศนาเรามีเวยากรณะบริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่าเราเป็นผู้มีเวยากรณะบริสุทธิ์เวยยากรณะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยเวยากรณะและเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยเวยากรณะเรามียาณทัศน์บริสุทธิ์จึงปฏิญญาว่า เราเป็นผู้มีญานทัศน์บริสุทธิ์ญาณทัศนะของเราบริสุทธิ์ผ่องแผ้วไม่เศร้ามองพวกสาวกไม่รักษาเราโดยยาณทัศน์และเราก็ไม่หวังการรักษาจากพวกสาวกโดยญาณทัศนะกกุเทเถระสูตรที่10จบกกุทะวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. นึ่ปฐมสัมปทาสูตร 2. ทุติยสัมปทาสูตร 3. พยากรณะสูตร 4. ภ่พั ส, สวิหารสูตร 5. อากุปสูตร 6. สุตตะท ะ, ะสูตร 7. จ็กะถาสูตร 8. อรัญญกะสูตร 9. สีหาสูตร 10. บกกุธะเถระสูตรทุติยปันนา จ, จบ ติยปันนาค 1. ภาสุวิหารวักหมวดว่าด้วยพาสุวิหารธรรม 1. สารัชสูตรว่าด้วยความเกล้วกล้าและความแข็งแ้ามพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายทำเครื่องทำความเกล้วกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขาหประการนี้ ทำเครื่องทำความแกล้ากล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขา5ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. เป็นผู้มีศรัทธา 2. เป็นผู้มีศีล -3. เป็นผู้หูสูตสเป็นผู้ปรารบความเพียน 5. เป็นผู้มีปัญญาผู้ไม่มีศรัทธามีความคลั่งคล้ามใด แต่ผู้มีศรัทธาหามีความเครื่องคร้มนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทําความแ ก, กล้าสําหรับภิกษุผู้เป็นเซกะผู้ทุศีลมีความเครื่องคร้มใดแต่ผู้มีศีลหามีความเครื่องคร้มนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทําความแกล้าสําหรับภิกษุผู้เป็นเซกะผู้มีสุตตน้อยมีความครื่องคร้ามใด แต่ผู้เป็นภูสูตรหามีความเครื่องครามนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทําความแกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะผู้เขียนคร้านมีความเครื่องครามใดแต่ผู้ปรารภความเพลินหามีความเครื่องครามนั้นไม่ฉะนั้นธรรมนี้จึงชื่อว่าเครื่องทาความแกล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะผู้มีปัญญาสามมีความเครื่องครามใด แต่ผู้มีปัญญาหามีความเครื่องครามนั้นไม่ฉะนั้นทำนี้จึงชื่อว่าเครื่องทำความก ล, วกล้ากล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะภิกษุทั้งหลายทำเครื่องทำความก ล, วกล้ากล้าสำหรับภิกษุผู้เป็นเสขะ5ประการนี้แลสารัชสูตรที่หนึ่งจบ สังกิตสูตรว่าด้วยธรรมที่ทําให้หน่ารังเกียจภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมหประการย่อมเป็นที่รังเกียจสงสัยว่าเป็นภิกษุชั่วแม้จะเป็นผู้มีอกุปธรรมก็ตามธรรมหประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวิ น, นัยนี้ 1. เป็นผู้มีหญิงแพทย์สยามเป็นโครจร 2. เป็นผู้มีหญิงไม้เป็นโครจร 3. เป็นผู้มีสาวเ้อเป็นโคจร 4. เป็นผู้มีบันเดาะเป็นโคจร 5. เป็นผู้มีภิกษุณีเป็นโคจรภิกษุทั้งหลายภิกษุประกอบด้วยธรรมประการนิแล่ย่อมเป็นที่รังเกยียจสงสัยว่าเป็นภิกษุชั่วแม้จะเป็นผู้มีอกุปธรรมก็ตามอุสังกิตสูตรที่สองจบ